บุกทูแปดสิบเก้าปสบประโยคคำสั่งหนึ่งอิมเปรตฟสตคุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลย kamu pemalas jangan malas คุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึก kamu tidur sangat lama. Tid l a m a jangan tidur terlalu lama คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึก kamu datang sangat terlambat jangan datang t e r l a m b คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิ Kamu tertawa terlalu keras Jangan tertawa terlalu keras คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิ Kamu bicara terlalu pelan อย่าพ r ดช้าเ e ินไปคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักเลยคุ e ด a ่มมาก y ก a นไปอย่า่มุหดื่มากเกินไปอย่าดี่มากนักเลย Kam ดื e มมากเ e ินไปอย่าดื่ม Jangan merokok ok ok terlalu b a n y a อย่าทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไป kamu bekerja ก e r l a ja l u keras Jangan bekerja terlalu keras คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย Kam ำงานมากเกินไปอย่าทำงาน Jangan m e n y ท t i r terlalu k e n ม a n g ลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์ s ิ l ahkan b e r d i r i Pak m ิ l l e r เชิญนั่งค่ะคุณมิวเลอร์ s ิ l ahkan duduk Pak m ิว l e r นั่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์ตั้บละแอ a ด้ a ดูดุ k พักมิว ใจเย็นๆนะคะ bersabarlah Anda มีเวลาไม่ต้องรีบ Nikmati s aja waktu Anda รอสักครู่นะคะ Anda tunggu sebentar ระวังนะค ะ, ะ, ะ, ะ berhati-hatilah กรุณามาให้ตรงเวลานะคะเทปัตละวัคต์อย่าโง่จ้า t ันบขติ o ั o บ